พระบรมศาสดาทรงสรรเสริมพระอาหนุนพระจำพระสูตรพระวว น, นัยพระววนัยพระอุบาลีผู้เรียนถึงเก้าประโยูไม่ใช่ของง่ายนะเคยมาครั้งหนึ่งนะผู้เรียนมา จะขยายก็ไม่สัตย์ก็ไม่ลำบากจะย่นก็ไม่ลำบากปฏิบัติง่ายมันเป็นปฏิสัมพทาอยู่ในตัวจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะย่นลงมาเอกานิบาตก็ไม่สงสัยจะว่าพระหัววัจนะหรือเอกาวัจนะก็ไม่สงสัยเพราะย่นเป็นขยายเป็น จะย่อไตรซิขาลงมาเป็นหนึ่งก็ไม่คัดข้อจะขยายไตริขาออกจนถึงแปดหมื่นสี่พัทธมขันก็ไม่คัดข้อปฏิบัติง่ายปฏิยัติปฏิบั ต, ป ต, ปบติปฏิเวทหมายถึงผลของการเรียนผลของการปฏิบัติผลของการเรียนก็มีเหมือนกันผลของการปฏิบัติก็มีเหมือนกันผลของการปฏิเวท ก็เป็นปฏิเวทอยู่ในตัวข้างพุทธกาก็เรียนจบก็ประโยคเหมือนกันแต่ในทางปรมัตมัมซมคซีผลสีนิพพานหนึ่งมัคซีโสดาปฏิมัคสักทาไค ร, า ร, าคาราคมัอนาคครมัคอรหัตมัคผลสีโสดาปฏิผลสัคทาผลอนาผลอรหัตผล สัพเนผานเนี่ยสัพเนในทีนี้หมายเอาอนุปาทิเสตสัจจพเนผานรวมเป็นเก้านโัโมกุตระธรรมมีทำไมข้างพุทธศาสนาย่อมไม่ทันในผานบัญญัติ ป, ปาราชิกสี่ฤาสีขาเจ็ทสิบสามอันนี้ยับสองนี่จะชีปัญจติสามสิบปัญจตีก้าสิบสองปฏิเสสี่สิเสียีวเจ็ดสิบ้าอธิการะสมาธเจ็ ทำไมจึงถึงมาผลเนี่ยผ่านมันก็ถึงสิทำเจริญวัฏราบาทมันครอบใจสีข่ขาอยู่ในตัวแล้วเช่นทำมาจากกัปวตนสูตรก็ครอบใจสีข่ขาแล้วเพราะมีสะแสดงอัธถางจิโกมกโกอยู่ด้วยสมาธิที่สังฆปวาจชาคำมันตัวอาจิววญญาญโมสติสมาธิก็ยัดลงในไตรสีข่ขาแล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำเจริญวัฏราบาศส่งต่อพระนิพพานหมด มันขึ้นอยู่กับผู้บาลมีแก่กล้ามาแล้วหรือไ ม, ม, ม่แก่กล้ามาแล้วเท่านั้นผู้บารามีแก่กล้ามาแล้วท่านก็พูดไม่ได้พูดมา่าพูดเป็นเอกาเนียบารหรือทุกกาเนียบารก็พอแล้วหรือชักกาเนียบารทํทาในพุทธศาสนายน์ลงเป็นสองรูปกรรมาฐานรูปกรรมาฐาน กรรมฐานจ่นลงเป็นโสเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรมมฐานเพ่งอารูณเป็นอารมณ์ก็อารมณ์กรรมฐานท่าคาท่าตายค า, า, า, า, า, ารูปกรรมฐานก็ไปเกิดพรหมโลกท่าตายคาอารมณกรรมฐานยังไม่มียานว่าดเวนยัยก็ไปเกิดอา ร, ปปรมพ์ภมเช่นดาร า, าดาวบทอุศกะดาวบทรามบุตรเป็นต้นแต่ยังไม่ถึงใจสนาคม เหตุนั้นจึงไม่สามารถถึงพระสวัสดาบันได้ผู้ถึงพระสวสดาบันเป็นผู้เห็นอ น, นิจจังชัดเมื่อเห็นอ น, นิจจังชัดทุกก็เห็นชัดไปในตัวอะไรตาก็ชัดไปในตัวเพราะมันเป็นเป้าอันเดียวกันจนเพียงคณะจิตเห็นต่างหาเห็นอ น, นิจจังคณะก็จิตหนึ่งก็เห็นรอบรอบหนึ่งแล้วเขาหลอกใจไม่ได้วออ น, นิจจัง ทำความสอนพระพุทธศาสนามีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลห้าไม่ได้ก็ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเองจึงมีปัญญาเป็นหัวหน้าจึงเรียกว่าปัญญาธุระมิปัจนาธุระธุระทางปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาเป็นโลคุตระปัญญาศีลก็เป็นโลพุตระศีล สมาธิก็เป็นโลกุตระสมาธินับแต่สุปฏิปโนเป็นต้นไปสุปฏิปโ น, โนสามจําพวกเอกกับพิเคโกลังโกระสะตักขะตุปรมมแต่ก็ขึ้นอยู่กับบา ร, รมีของท่านที่สร้างมามีภูมิสมบัติเป็นอย่างไงมากภูมิของสมบัติสุปฏิปัโนไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่น ไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดสิทธาไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดอาบายามุกไม่ใช่ด้อยากจะถืออยู่โยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือหลงงก็กดยาม ด, ดีด้วยไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยเพราะโกดชุเพเจปนโนอันยัหยาบพ้นไปแล้วคําว่าสักกายะชิติวิกิคิดขาสีตะปตาปรามาตนั้นหมายเพียงไหน แต่ข้าพเจ้าพิจารณาตามอัตโนมัติเป็นสัทธิทิกะส่วนตัวสักยะทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวในพุทธศาสนาเลยไม่เยอะก็ยิงจองหองในพุทธศาสนาเรียกว่าสักยะทิฏฐิคําว่าสักยะทิฏฐิไม่เห็นตนเป็นขันหะไม่เห็นขันหะเป็นตนนั้นมันเป็นภูมิของพระอรหันต์มันเห็นอยู่ทุกอิริยาบทอันนั้นไม่ใช่ภูมิ ของคนอื่นที่สักยะทิฐิไม่ถือตนถือตัวอัตวาทุกประทานไม่มีในพระนรหันต์ขณะคิดเดียวก็ไม่มีเพราะมีสัติอย่างเต็มที่คำว่าสักยะทิฐิความเห็นไม่ถือตนถือตัวในพุทธศาสนาไม่สงสัยพุทธศาสนาว่าเป็นาศาสนาที่อหลวงโลก เข้าใจชัดว่าพระพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมัสวรรค์สมบัติภูมสมบัตินิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่สงสัยเลยเรียกว่าอาจารยและศรัทธาอาจารย์าสุปติทตาที่อาจารย์และยัติกัญญาณังอธิยักษ์กัณตังปัสสังสีตังท่านมหารูดีแล้วพูดจะเฉยหรอกที่เราพูดเนี่ยมาใช่วรอท่านมหาไม่รู้ท่านมหารู่ดูดแล้ว อาศัยธรรมวิจยะโพธชงคสูตรข้อสองยิ้มไหมยิ้มอ า, อาศัยธรรมวิจยะโพธชงคสูตรข้อสอง ไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดศีลท้าไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดอวัยวะมุกไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกับพันไม่ใช่ได้อยา ก, ยากถือเลิกพยายามดีไม่ใช่ได้อยากถือศยลศาสตรใ์ใดๆด้วยหมนภูมิควพระโสดาวันนอร์พวกที่ถือเครื่องรางของขลังอยู่นี่ยังไม่ถึงพระโสดาวันเนอร ผู้ที่เอาพระพุทธรูปแขวนแขวนคอนเพราะชฉลอยใช่คำว่าชลอยแต่ก่อนเคยเป็นโคเป็นกระบือเขาเอาอะไรแขวนคอให้ชฉลอยใช่คำว่าชลอยไม่ใช่คำว่าย า, านชานชฉลอยชลอยจัคนหยอบมันไปนเข้า มันไปล่วงแล้วเมื่อสวนเข า, าว่าละเขาแขวนคอให้อันนี้มักล่วงแล้วเมื่อไปทางอื่นไม่นักเทียนพูดเทียนทำเป็นผมก็ต้องแขวนคอให้หลวงปู่มันจะแขวนเอาไว้ที่ใจเลยเอาไว้ที่ใจแขวนใจเลยแต่ผิดไหมก็ไม่ผิดพอเอาเป็นเครื่องระลึกแต่พวกดื่มสุรา จะเอาข้ามหัวพระพระพุทธรูปอยู่นี่พระสุปฏิปัโนเป็นบุญบาปหน้าเป็นโลพุตระบุญบาปก็อยู่ในกํามกร้นได้บาปหน้าไปสู่เจริญตํำกว่านั่นลงมาเป็นภายเรือในอ่าง มดบุญก็ไปห้าบาปมดบาปก็ไปห้าบุญมดบุญก็ไปห้าบาปมดบาปก็ไปห้าบุญอยู่อย่างนั้นพอถึงสุปฏิปันโนแล้วค่ะมรคนิพาอรหันต์ก็อยู่ในกรรมมือกรรมือสติกรมือปัญญาทําไมอๆๆรหัตาบุตอุตะกาดาบุตรามบุตรจรึงไม่ถึงพระสวสดา์วันเพราะยังไม่แสดงตนถึงไตรสนาคมในใจเพราะยังเป็นลัทธิหนึ่งอยู่ แฝงอยู่ยังถือตนว่าเป็นรัทถิหนึ่งอยู่เสียว่าบรัทถิพราหมณ์พระประหลศาสตราจารเห็นว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทามาขนี่ผาจึงลาออกจากท่านเหล่านั้นไปซักรัทถิใดใดขอตามศาสนาใดใดก่อตามต้องมาเรื่อมใส่สาศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจะสำเร็จพระสุพติปโน ไม่อย่างนั้นก็อย่าหาบเลยไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาธิปไตยเพระ er, พุทธศาสนาเป็นธรรมาธิตยปฏิมไม่ใช่ราชาธิฏฐิปฏิมไม่ใช่อาตาัตตาธิฏฐิปฏิมไม่ใช่ประชาธิฏฐิปฏิมไม่ใช่โลกาทิฏฐิปฏิมเป็นธรรมาธิตย์ปฏิมพระพุทธศาสนาเป็นคํำสอนอันเดียวกันเลยพระพุทธเจ้าจะมาขี่และลาดพระองค์จะมาสอนอันเดียวกันทําเป็นโรคขบาลคุ้มครองโรกสองอย่างมายืนยันยืนหยัดอันนี้ค่ั ท้าม่ละอานต่อบารไม่กัวต่บารแล้วก้อนไม้ก้อนหัวของชาวโลกก็ตั้งมาอยู่หัวของทําแม่นํามคํานึงก้อนที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความช่วในที่เจ้ามาได้ก็ไปทํำในที่รับมีน้ำซ้ำมาทําใี่แก้งด้วยถ้าชาวโลกมีเสีลห้าบริบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตํารวจก็ไม่ต้องมีสอดตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเข้ากุญแจก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมี โรคเอดก็ไม่มีเพราะไม่มีขอบเขตร่าการตายก็ไม่มีทุกวันนี้มันอนุรามานอยู่เวนีนสนองเวียนภัยสนองภั ย, ภยก็เพราะอะไรก็เพราะร่วงละเมิดศีลหา้าใช่หรือไม่นั่นถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่ ผู้ใดไม่เชื่อก ร, รมและผลของกรรมผู้นั่นก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาผู้เชื่อก ร, รมและผลของกรรมผู้เชื่อเหตุ ด, ดีผลดีก็คือผู้ได้ดวงตาเช่นธรรมนั่นเองเหตุจะเกิดบาปก็เพราะสร้างเหตุดับเหตุจะเกิดบาปซักเหตุจะเกิดบุญก็เพราะสร้างบุญคำว่ า, าบุญเป็นห่อนทางไปสู่พระน涅槃 พอถึงพระเนผ่านลแล้วไมบ่บรรยัติราบุญพระเนบุญเนีบ่าไปแล้วไม่เป็นหน้าที่เกเแล้วจะตายจะมาเรียกว่าคุณหนูอยู่มันไม่สมชนะั <c oughs> ้นละมัเรียกพระธรมอันไม่เกิดไม่ดับเท่านั้นที่นี่ปัญหาโลกแตกยังมีอยู่ทุกวันนี้บ้านท่านก็ทุ่มเทียงเกี่ยงงอนกันว่าพระเนผ่านไม่ใช่ อนัตตาเป็นอัตตาเทนะียงกันทำไมอัตติอั ต, อตโนโนะโถวตนเป็นที่พึ่งของตนใครเป็นที่พึ่งของพระเนรพลก็พระเนรพลเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพระเนรพลทัพเพธธรมาอนัตตาติไตรมาอย่างโอตินาหะพระบรมอ ง, งค์สมเน็จพระมหาสมณเจ้าท่านเทศน์ให้ฟังแล้วทัพเพธธรมาอนัตตาติ หมายทั้งทมอันเป็นโลกีและโลพุต ร, ร, ระด้วยทางโลพุตระถ้าอนัตตาไม่มีขอบเขตก็ไม่ได้อีกเหมือนกันอนัตตาทุกข์กับชมูมุทยเป็นอนัตตาที่ควรทำที่ควรรู้ที่ควรเว้นอนัตตามักกับในโลดเป็นของควรเจิญและทำให้แจ้ง อัตตาก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ยุ่งที่นี่อัตตาก็ดีอนาตตาก็ดีใครเป็นเจ้าของอัตตาใครเป็นผู้จองไว้ใครเป็นเจ้าของอนตาตตาใครผู้จองไว้ก็ไม่มีใครจองไว้ก็เป็นธรรมเป็นของกลางอยู่ก็ไม่พ้นสัพเพ昙มาอนตาตตาตามเดิมนั่นเองเพราะธรรมในอนาตตาเป็นธรรมลึกซึ่งถ้าครบไม่แตกก็ยุ่งหยิงจะเป็นคนไม่มีข้อวัดอีกใช่ด้วย ทำในเทพุตรศาสตร์คณก็อนัตตาลึกกว่าเพื่อนฝ่ายสมาธิสมาบัติก็คือเนโรสมาบัติลึกกว่าเพื่อนลึกกว่าทำอันอื่นฝ่ายศีลก็ศีลสองลายยัิเกตศีลสมาธิปัญญากลงกลืนกันในคณะเดียวกันศีลก็ตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอรู้ในปัจจุบัน ชิ้นสมาที่ปัญญามันแยกออกจากกันเลยที่แยกออกก็เพื่อให้มันชัดปฏิจจสมมุขบาตรก็เหมือนกันที่ท่านแยกออกก็เพื่อให้ผู้ฟังชัดและเพื่อให้สมภูมิอธิแทะเมื่ออวิชชาดับสังขารวิญญาณามโูกอายตนาภัสวาเวทนาตันหาอุปทานภพชาติมันดับเองมันเมื่ออัตตาทุกขทานดับไปแล้วอวิชตาตันหาก็ดับไปณนะที่นั้นเองวิญญาณปฏิสนณธิดับ ก็ดับไปก่อนน้ําลกก็ดับไปลนะทีนั่นเองถูกไห้ท่านมหาชี้เกียรพูดนะครับเลยตอบนักทําเอกไม่ตอบเหมือนเก่าเนอะทุกวันนี้ในมาปฏิบัติจะตอบใหม่ถ้า สอนแพร่สอนแพร่ไทยเป็นมคตแมคตเป็นไทยทุกอย่าง ส่วนธรรมะจะให้เลือกไปกว่าธรรมะวิจาร์ไม่ได้ใช่ไหมธรร ม, รธรรมะวิจารธรรมะลึกไปกว่านักธรรมเอกอธิบายไม่ได้นักธรรมเอกในสมัยพระมหาสมร า, จาเจ้าลึกมากก<า>ว่ามากมากไม่พอ ถ้าเรามาภาวนาเห็นตามสติกำลังของเราเราก็ซำเนียกอาศัยพวดชงค่าสูตรข้อสองเป็นเครื่องซำเหนียมธรรมวิจยะความสอดคลองธรรมและอาศัยปฏิสัมพิทาของพระบรมศาธิราที่ตั้งหลักไว้เช่นพระพาหิยะอย่างนี้มันจะเทศน์มากเป็นแต่สภาวะรู้เป็นแต่สภาวะ เ, เห็นครับพอแล้ว หมายความว่า ย, ยังไงเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นคือไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ยึดถือว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ยึดถือผู้อื่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เห็นเป็นผู้รู้ผู้อื่นอันผู้รู้ผู้เห็นมันเกิดดับเป็นก็คืออนัตตาธรรมไม่สําคัญตัวในใดๆทั้งสิ้นอัจฉมีมานะก็ไม่มีสําคัญตัวอย่างนั้นอย่างนี้ในมานะเข้าก็ไม่มีมันก็แตกก็จะไปด้วยกัน ถูกไหมอืมไม่ต้องไปเพิ่มเติมไม่ต้องเอามออาคิดไม่ต้องขยายไม่ต้องเรียงแวบไม่ต้องอวิชช า, ออ า, าดับสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะัสษาเวทนาตันหาอุปาทานภพภาพไม่ต้องเพราะเหตุใดเพราะเหตุอัตตาทุปาทานมันเป็นจอมพลขออุปทานทั้งปวงเลยถ้าขบอันนั้นแตกว่าก็แตกหมด ไม่สำคัญว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้พิจณาอนัตตาธรรมนั่นเองครับพอแล้วแต่ชาแนลเป็นสามิศาสีเลยเพราะเหตุใดก็พระบารเมีแต่ชาติก่อนสร้างมาแก่ก้าแล้วเรื่องผักบันไดเรื่องผักบันไดในข้างพระเจ้ากัตปะเนี่ยพวกหนึ่งก็ไปเกิดใน พ ม, มโรคอวิหาตะปาสุทธิสาธุศธสีพวกหนึ่งก็เข้าสู่พระานส่วนองค์ท่านได้เพียงพ ม, มโรคหมดอายุในพ ม, มโรคชั้นโรกีก็เลยลงมาเกิดในมนุษย์โลกเราพอเพียงเดียวก็แตกฉานเลยพาะขาดแต่วิปัสสนาเท่านั้นเช่นพระโมคคัลลาชเป็นต้น กเทศอนัตารมให้ฟังเธอทั้งหลายจง mm hmm. เธอจงพิจารณาโ่กเป็นของศูนย์ถอดอตัตโนทิตถิงความเห็นว่าตนซักสำเร็จพระหัง mm hmm. เหตุไนพระบรมศาสระจึงห้ามพระโมฆราชถึงสามครั้งเพราะท่านมีอตัตโนทิตถิงความเห็นว่าตนฉลาดเกินเขาแล้วก็ผัลททิพีนกว่าจะเ 16คนน่ะนึกว่าจะเข้าถามพระบรมศาสดาก่อนสำคัญตัวเป็นผู้ฉล า, าดเมื่อสําคัญตัวเป็นผู้ฉล า, าดกว่าเพื่อนมาันน่าทิฐิมันก็มีมากอัตวาตุประทานพระบรมศาสดาหยุดยุดยุดยุ ย, ย, ยุดรู้จักแล้วไอ้ที่แ ท, ท้ยุดเก่อนทีนี่ทิฐิของท่านก็อ่อนลงหลายเติบเนี่ยลงหลายมากเนี่ลงมากแล้วคําว่าหลายเติบก็เป็นคําพากา ษ, ษ์ที่สามที่นี่ ั้งที่สองก็หักอีกยศยดยศยศไม่ใช่วาระของท่านทีนี่ทิฏฐิมาณะของท่านเขาลงอีกที่ท่านสาคัญตัววาสนามาพอถึงองค์ที่สิบหกพอถึงตั้งที่สามท่านจึงให้กราบทูลเหนือหมู่มันในหมู่ทีพวกคนเนี่ยมาเนี่ไม่ฉลาดเท่าเราสําคัญตัวว่าอย่างนั้นพราะบรมศาสดาเขารู้จากวาระจิตทีนี่ จะแย่งงูเข้าไปกราบทูลก่อนพระปรมาสส า, ส ร, า, ส ร, ารูจจักมองเห็นแล้วเจโตเปนยายา็นญาญานยุดยุดยุยุยทิฏฐิก็ลงไปอีกแล้วทิฏฐิสำคัญตัวว่าฉลาดก็ลงไปอีกแล้วอัตตาทุประทานเป็นศีลชั้นสูงเป็นสมาธิชั้นสูงเป็นปัญญาชั้นสูงด้วยถ้าใครครอบจก่ะ อัตตาทุปพทานก็คือตัวโมหะอันละเอียดเหมือนกันโนแจ้งอัตตาทุปพทานอุปทานตอุปทานทิฏฐุปทานสีละพัตุปทานก็แตกกระจิงไปณักสีนั่นเองเพราะสร้างมาเรื่องจกล้ามาแล้วทำใจและวับาทมันส่งต่อพระนิพพานหมดนโมพระสวุาบรณนโมแปนน้นนอมน้อมนโมพระรักาคาร์ ก็น้อมนอละเอียดไปกว่ากันนโมพระอนาคามีก็น้อมน้มไปละเอียดกว่ากันนโมพระละหันเรียนนโมจบแล้วน้อมน้มจนไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลงน้อมนอมจนไม่มาเกิดแก้เก็บตายอีกน้น้อมนอมจนไม่ติดอยู่ในที่ใดทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งวันด้วยเรียกว่าพระละหันเรียนนโมจบหรือผู้ทางสนางคชามิควเหมือนกัน ทำแต่ระวัตระบาดส่งต่อพระนิพพานหมดทำโลกีมีไหมในในพระพุทธศาสนาไม่มีเพราะท่านมายืนยันพระบรมศาสนายืนยันแต่เพียงว่าชุบปฐพโนชุบยายะสามีจิเท่านั้นเป็นสาวกของท่านต่้มก่อนนั้นลงมาท่านมายืนยันก็คล้ายๆกับว่าพระพุทธศาสนาไม่มีโลกีมีแต่โลกุตระโลกีเป็นลัทธิศาสนาอื่น เหตุฉะนั้นจึงยืนยันพมจารย์วางต้นว่าสุภัตรพโนโชยยะสาเนจิเทศกันเดียวกันคนหนึ่งฟังก็ถึงพระสวดดาวันคนหนึ่งฟังถึงพระรหันที่คณะอาคีเวชนโคตรทํามุกราคาตาที่ข้างภูเขาคิสกูล เข้าไปฟังเทศพระบรมศาสนายอยู่ต่อหน้าพระพักพระายาบุตรทำงานพัดอยู่ข้างหลังท่านเทศเรื่องอันนี้จังทุกครังอนัตตาเรื่องขั้นห้าออตอนชุดท้ายเทศเรื่องขั้นห้าเกิดดับเหมือนดังหัวฝีอธิบายไป รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาระษารีบุตรฟังอยู่ข้างหลังทํางานพัดอยู่คงจะเป็นระดูร้อนงานพัดอยู่ข้างหลังพระองค์สําเร็จพระรหัสแล้วคนนี้ก็เพียงได้ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้น ก, กันเทศกันเดียวกันผู้บารมีสูงก็เทียบสูงผู้บารมีต่ำเขาเทียบต่ําน้าโมก็เหมือนกัน นโมเลียงนโมผานาโมบัตินโมเมรนี่นโมลงนรกกันนี่อาบายาบุกทุกประเภทเอา้านามวิสขาเชิดได้ดวงระเมิดสินท่าไหมไม่เชิดได้ดวงระเมิดสินท่าเชิดไดอย่ากระทือศาสตราอื่นไหม ไม่มีเสียดายอันนี้ทัศุเทศไม่ถือศาสตราอื่นช้าจารพิธานาเนี้เพราะโอคาถูกงาตังต้งผี่างเคศตระนังไม่ได้ตั้งเองเจนซสัจเจะสุวัติพหุตัวนี่เป็นสูตรของพระสวัสดิ์ัณไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นเพราะเหตุใดเพราะเห็นว่าพระพุทธศาสตานั้นสอนบริบูรถ้ามนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งภพสมบัติ ทั้งนี้ผ่านสมบัติแล้วเราจะปฏิบัติได้ก็เป็นเรื่องของเราเราจะปฏิบัติไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเราแต่ไม่เป็นเรื่องของพระบรมศาลาไม่รอบคอบไม่สงสัยพระบรมศาสลาพูดได้แต่ปากเฉยพูดได้ด้วยปฏิบัติได้ด้วยพ้นได้ด้วยได้ผ่านมาด้วยไม่สงสัยว่าพุทธศาสนะเหตุนั้น จึงไม่มีสักยทิฏฐิความถือตนถือตัวในพุทธศาสนาเราแปลอย่างนี้สักยะทิฏฐนะิบางท่านแปลว่าไม่เห็นขันห้าเป็นตนไม่เห็นตนเป็นขันห้าอันนั้นก็ถูกอยู่แต่ว่ามันไม่ถูกเป็นเนืองนิดที่ไม่ขันเห็นขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าอยู่ทุกอิริยาบถนั่นอยู่ทุกขณะจิตนั่นไม่ได้หลงไม่ได้หลงยึดถือเลยอันนั้นมันเป็นฟูงของพระอรหันต์พระนาคเมียก็ยังสําคัญตัวอยู่ เป็นผู้แรกว่าเขาต้องการตัวเลื่กว่าเขาเป็นผู้แรกว่าเขาสํางการตัวเสมอเขาเป็นผู้แรกว่าเขาสํองการตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้สมมอเขาสําคัารตัวว่าเลื่กว่าเขาเป็นผู้สมอเขาส้องกญตัวสมอเขาเป็นผู้สมมอเขาสํางการตัวเร็วกว่าเขาเป็นผู้เรี้ยวกว่าเขาต้องการตัวเสมอเขาเป็นผู้เลี้ยวกว่าเขาต้องการตัวเลี้ยวกว่าเขาเพราะมีความสําคัญตัวอยู่เพราะอุปทานยังไม่ขาดถูกเอาไปเทียบไปเทียงดู เราตัวไปเจอเขาคนอื่นเหตุนั้นจริงมีอานุสัยอันนอนเนืองนุ่นอยู่ในคันทะสันดานติดอยู่พอข้ามอันนั้นแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์สังโยนติบก็ขาดไปในตัวนั้นทีนั่นเองสังโยชคก็ว่าสังโยชต์ก็ว่าเห็นบางแห่งก็เรียกว่าสังโยต์เห็นบางแห่งก็ว่าสังโยชน์แต่เราไม่ได้เรียนบาลี สัญชน์เป็นเครื่องผูกใจสัตว์ให้ดองสันดาลสัญญาตสัญโยชนาสัญญาตพระมารชาลสวด ผม่าชาลาสูตราาก็ห้ามเหมือนกันห้าห้าเจีาช า, ายนกถรอ๋อเจ้าช า, ายนิชาแต่ทำไมจึงมีผู้เริ่มสายพระพุทธศาสนาน่อยนัก เพราะพระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นชาแน น, นดอนของผู้บารามียังไม่แก่กล้าจะมาเลื่มใสชัดสีเท่าทั้งเท่าโยนี่สีผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่จะเกิดฟุดขึ้นทุกทันหน้าจะมาเริ่มใสพระพุทธศา ส, สนาเสื้อก่อนจึงจะสามารถถึงพระ涅槃ได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็อย่ายมาเอ่อยเลยที่เราพูดอย่างนี้เกรงว่าจะผิดนักที่อื่นมันก็เป็นคนขี้ขลาด ถ้อย่างนั้นพระไตไปดกทำไมจึงไม่เผาไฟทิ้งเราเพืออะไรอย่างนั้นหรอกพระรัตนศาสดาก็ยืนยันแล้วในมหาปณิธานส่วนสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ห้าสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ไม่มีในศาสนาอื่นเลยมีแต่พุทธเท่านั้นเราไม่พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมสุภทตะไปกล่าวไปกล่าวทูลท่าน ท่านก็บอกเลยถ้าเราพูดไปก็เกรงว่าจะผิดลัทธิอื่นอย่างนั้นแล้วก็อย่าถือศาสนาพุทธสิมันจะผิดเขาใช่ไหมถ้าเราเกรงใจจะผิดผู้ใจต่ําอย่างนี้เราก็อย่าไปเรียนปริญญาแล้วก็อย่าไปเรียนไปเรียนให้ถึงประโยคเ์ข้าก็ประโยคนสองประโยคนสามก็อยู่แล้วมันจะมันจะผิดเขา พระพุทธศาสนาไม่มีชั้นทาคติโทสะคติโมหคติคติพยาคตินราเอียงเพราความรักใคร่กันเรียกชั้นถาคติรักมันมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็เลี้ยงมันไว้โปรดให้มันโทสะคติมันจะพูดถูกสักเพียงไหนมันจะประพฤติดีสักเพียงไหนก็ให้คะแนนมันอย่าโทสะคติ โ, โ, โมหะโมโมหะคติเนี่ยโมหะคติเพราะขบทําชะนั้นไม่แตกไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนาสูงก็จะโมหะคติเหมือนกันพยาคติกลัวอิทธิพลมันมันจะเอาที่เมื่อดมาให้มันจะผิดทำเพียงแค่ไหนก็ต้องเลียแช่งเลียขามันอยู่ถ้าไม่อย <busca. S 1> um. ่างถ้ามาอย่างนั้นมันจะโป้งเลยก็เรียกว่าโมโมเรียกว่าพยาคติ พยาคติตัวนี้คงจะเป็นตัวพอทั้งเผาใช่ไหมเรียกว่าไพใช่ไหมพยาคติถ้า พ, พยาคติตัวพอทั้งเผาใช่ไหมอพอทั้งเผาข้กลัวกลัวยุทธภพมันเรียกค่ะอคติสี่อย่างนี้แป็ควาประพฤติประพฤตจะสาสนะไห่ประพฤตเลยไม่ทรงสรรเสริญอีกด้วยมันก็เป็นธรรมดาอยู่เอ กรรมและผลของกรรมรอมจำแนกจำเนกสัตให้ต่างๆกันเร็วหรือดีหรือชั่วถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่บริบูรณ์มีปัญหาสอดเข้ามาว่าทุกวันนี้พระพุทธศาสนาทำไมจึงเหลวไหลมากถ้าให้พิจนาให้กี่ทวนแล้วก็ไม่เหล้วไหล ข้งพุตธการก็ไม่น่าจะเป็นไปเลยพระเทวทัตเป็นลุงของพระบรมศาสตราก็เบียดเบียนพระบรมศาสตราอย่างเต็มภูมิสุภัพุทธะก็เป็นพ่อตานั่นแ้ต่ก็เห็นโทษเหมือนกันถ้าโทษสิ่งเหล่านี้ไม่มีพยานพระบรมศาสดราก็ไม่มีเหมือนกันพูดทำดีก็ได้ดีพูดทำชั่วก็ได้ชั่วตามโทสานโทษหรือหรือคุณ เราหัขุนมัธยมขุนมหันตขุนมหันตโทษเราคุตละเอาขารู้โทษมหันตโทษลราหัโทษก็มีอยู่เหมือนกันถ้าโทษทั้งหลายเหล่านี้ไม่ตามสัตว์ทั้งหลายเพราะพระเ้ศาสตร์สนาก็บรครองใช่ไหมมีทั้งขุนทั้งโทษจึงไม่บรครองผู้อย่ากไฟไฟก็สังขายนายให้เอง ผู้เว้นก็เว้นไม่รอดสังข า, ยยางรยานาให้เองความดีความชื่วมันมีอยู่ทุกการทุกเวลาพระพุทธศาสตร์นะจะล่วงไปสักเพียงใดก็ตามผู้ใดผู้ใดทำบาปก็เป็นบาปอยู่ตามเดิมผู้ใดทําชั่วก็เป็นชั่วอยอ่ตามเดิมมิหนังซ้ําสับที่ไม่รู้จักอีหนู อ, อีนี่อะไรมึงตายเป็นงูกูก็ตายเป็นกบกูก็เอามึงอยู่นะเวีนสนองเวียนไปสนองไปมันมีอยู่ทุกสมัยทุกยุคทุกการเหตุนั้น จะมีผู้คนับถือน้อยหรือไม่น้อยไม่เป็นปัญหาพระพุทธศาสนาทำไมจึงมีพระโรเลอยู่ว่าอย่างนั้น<ม>ข้าพุทติเก้าก็มีอยู่เหมือนกันพระเทวทัตก็โรเลทั้งนั้น<ม>นั้นทามานพมยนี<ม><ม>ก็มีอยู่ทุกครัง้งทุกการทุกเวลา ถ้ากรรมแล้วผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เสี่ยงพราะรกุศลศาสตรนะเหมือนกันบางท่านเขาบอกว่าลูกปู่ลูกปู่ลูกปู่จะไม่เปลี่ยนเปรดมาเฝ้านี่เขาพูดอย่างนี้ <c oughs> จริงทั้งหลายจะทำรู้ร้าสักเพียงไหนก็นตามวัตถุนิยมและอุดมวัตถุนิยมก็ทําขึ้นจากธาตุยน้ําไฟลมเทั้นั้นแตกสลายลงไปเป็นในน้ํำชายไฟลเทั้นั้นแม่สวรรค์ มีทั้งเพชรทั้งพลอยด้วยถึงอย่างนั้นอยู่อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเมื่อเห็นอ น, นิจจังชัดแล้วก็ไม่ต้องสงสัยโลกทั้งปวงเมื่อเห็นใจรักชัดแล้วเมื่อเห็นใจรักชัดในปัจจุบันอดีตอานาคตก็ไม่ต้องสงสัยควาไ ม, ม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารไดเกิดขึ้นในอดีตสังขาร น, นั้นเกิดดับในอดีตสังขารไดเกิดขึ้นในอนาคตสังขาร น, นั้นดับในอนาคต สัขงขารได้เกิดขึนในปัจจุบันสังขาร น, นั้นดับในปัจจุบันคําพูดได้ที่พูดอยู่ในปัจจุบันก็ดับในปัจจุบันนึกขึ้นในปัจจุบันก็ดับในปัจจุบันพูดไปในปัจจุบันก็ดับไปในปัจจุบันอยกว่าจีสังขารอย่าว่าสิทะสังขารญญขอยวกายสังขารสัพยุ์กันอยู่จึงพูดได้คอยไปยังยังได้มมเมื่อเห็นอนิจจังเหล่านี้ชัดแล้วก็ไม่สงสัย chosen. โลกทั้งปวงเลยเอาปัจจุบันเป็นพยาน ว่าไม่สงสัยโรคทั้งปวงแล้วจิตใจก็เอ็นไปโอนไปเอ็นไปน้อมไปในธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับไม่พรนธพพารดำเท่านั้นท่านมหาจะเอานังสือไปอ่านเล่นไหมฮะจะอ่านไหมล่ะเออเวลาว่างฮะ บางคำํำบางคำํำในระหว่างไม่ค่อยเข้าใจเออโอเสเปลี่ยนสบายยอมเป็นยอมตายยอมเป็นยอมตา ย, ย เขาเป็นเขาตาย็เรียกว่ายอมเป็นยอมตายจะพักอยู่จะพักอยู่สักหว่างระยะหนึ่งสักระยะทําหาเกิดที่ไหน โอ้มนก็ฟังไม่ออกสิยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งขีร่ายก็ยิ่งติมติมต้นเหม็นอาจออกไหม ไม่ออกยิ่งที้ไร่ก็ยิ่งหายลมลมเหม็นยิ่งขี้โรก็ยิ่งหายลมเหม็นเขาออกไหมน่ออกไห ม, ออไหมตัมนามพระพุทธาศาสนา พระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยกฏิอเนกสะตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยกฏิที่ล่วงไปแล้วที่จะมาในข้างหน้าก็เหมือนกันก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้มีพรบรแย่งกันเลยสัทธาเทวมนุษยาตังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายสอนอันเดียวกันถ้าเป็นโลกบาลคู่ครองโลกสองอย่าง ความละอายตาบาปความกลัวาตาบาปเท่านั้นจะุ้องครองโลกได้ไม่ใช่ลูกระเบิดปรมาณูไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่ลูกเอ็มสิบหเอ็มสามสองอะไรเลยถ้าละอายตาบาปถ้ากลัวาตาบาปแล้วมันก็ไม่ไป็ร่วงละเมิดสินห้าที่มันเป็นร่วงละเมิดสินห้าก็เพราะไม่ละอายตาบาปกลัวาตาบาปถ้าชาวโลกมีสินห้าบริบูรณ์เมื่อรู้จักเรียนสามาณับตั้งแต่อายุเจ็ดปี ส่วนร่ำส้เสียเฉลี่ผิดมนุษย์เขอยกไปสักส่วนนับแต่อายุเจ็ดปีรู้เรียงสามาแล้วมีสินห้าบริบูรณ์หมดนี้วัดชาวโรกสงครามก็ไม่มีตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้านนัโรคเอดก็ไม่มี เขามีขอบเขตเพราะการมสมิธใช้จาไม่ล่วงละเมิดกันนั่นมุสาวาสเพืดกดก็ไม่มีฆ่ากันตายก็ไม่มีอย่างมากก็โรคเบียดเวียนตายหรือหลีกรถหลีกเกลือไม่ทันเวลาเผลอชนกันตายเท่านั้นจะฆ่ากันตายอยู่ทุกหย่อมหญ้าไม่มีถ้าไม่มีพระุทธศาสน า, านขิดขวางอยู่ในโรคนี้แล้วโรคของเราจะเป็นยังไง มันก็กลิ่นเหม็นเราดีๆนี่เองเพราะเขาและฝังไม่ทันนี่มีพระพุทธศาสนากิดขวางอยู่จึงมีลัที่อื่นมาแข่งขันกันด้วยพอเป็นหมู่กันไปในตัวบ้างถ้าไม่อย่างนั้นแล้วทะเลน้ําตาทะเลเลือดเต็มโลกคนปู่คนณย่าคนตาคนยายคนหนูอืมคน้องคนนุ่งคนนุ่งคนน้องคนป้าคนณลุง สวัสดีดอกหรือมาจากไหนก็มาจากอายุวันโนสุขังพลังของพระใช่หรือไม่นนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแทงอยู่ในโลกแล้วก็เสียงสาบเสียงแข็งเสียงร้องไห้ร้องห่มเสียงด่าเสียงปืนสารพัดวัดเวียงพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนดงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย พระพุทธศาสนาที่นนาตรงจา ก, กจิตใจของพวกเราเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนวัดมุ่ยสุดสิ้นสกุลพุทธไครรานไครุกเล้าชาวพุทธผลของกรรมอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีแล้วไตรกฎหมายใดๆของชาวโลกก็ตั้งมาอยู่อู๋ของธรรมไม่นาคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยชาวไตรโลกาอยาประมาทพระพุทธศาสนาเถิด มันมีอยู่สงสัยอะไรอีกนี่นทําเบื้องต้นทาเบื้องกลางยังมีอีกทาเบื้องท้ายยังมีอีกพระพุทธศาสนาะทามนุษย์ฝ่ายมนุษย์สมบัติเนี่ยตายฝ่ายสวรรค์สมบัติยังมีอีกผู้ภาวนาพุทโธพทโธอยู่ไม่มีกรางวันทางคืนก็ดีตายเวลาไหนก็ไปสวรรค์เวลานั้น พุทโธธรรมโอสังโฆเป็นเชือกสามเกลียวรวมกันอยู่เหมือนเราเห็นหน้าก็เห็นตากันแต่พูดอักษรย่อเฉยๆว่าพุทโธไอทิแทธรรมโอก็อยู่ด้วยกันสังโฆก็อยู่ด้วยกันนั่นเองเพราะเป็นเชือกสามเกลียวเหนียวนั่งอยู่ที่ดวงใจของเรา เหตุฉะนั้นเราจะพิเศษว่ายังเจียนเีรัตนังโลเกวิชติวิวิธังพุทธุรัตนังพุทธะสมังนัตติตัตมะโสดที่ภวันตุเตราชณะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีนัตถิเมสนังนอย่างสนัะอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เท่านั้นเป็นสนัตอันประเสริฐเขาเข้าไปเจ้าด้วยกล่าวคําสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เรา เรียกว่าปฏิญญาเนี่ยแล้วลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอมอบกายสวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมผสมอยู่ทุกเมื่อตราบเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมผส์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตราบเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอขมาโทษด้วยกายวาจาใจต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระยสงฆ์เจ้าผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเราอธิษฐานไว้แล้ว เราตั้งสัตยาธิ่ฐานไว้แล้วเราอธิษฐานไว้แล้วเราตั้งสัจจะไว้แล้วถึงแม้เราลืมก็คล้ายๆกับว่าเราภาวนาพุทธโธอยู่ไม่มีการวันกลางคืนเราก็ต้องมีปัญญารัดกิเลสของเราไว้แล้วเลิกได้เมื่อเลิกได้ปรดีพุทธัสสหัตสเมธาสธรรมัสสหัตสเมธาสวส า, สาสวขอเป็นท่าข้าเป็นท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณตาบเท่าเท่าสูวะนยพานวัจจุบันณกิจวัจย์บรรณธรรมในที่ รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงจงปฏิบัติตามเป็นจริงจงรู้ตามเป็นจริงจงลดทอนตามเป็นจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกวันเตือนี่หมายความผู้หวงังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาต yea. ิปัจจุบันในชาติกับปัจจุบันในจิตกับปัจจุบันธร ร, รรมก็มีความหมายอนันเดียวกันผู้หวงังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติเห็นอนิจจังคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว หายใจเข้าอย่างนี้ก็เห็นอนิจจังคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วหายใจออกอย่างนี้ก็เห็นอนิจจังคณะจิตหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทั้งทุกขังและอนัตตาอยู่เข้อากันด้วยเพราะลมเป็นสัก้านลมใจเป็นทัก้านใจผู้รู้เป็นทศก้าวผู้รู้อันนี้หมายความว่าผู้หวังคนทุกข์ในปัจจุบันไดชาติอดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่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 จะข้าวความเสน่ห์ก็ด้วยการให้ทานจะข้าวความโหดร้ายก็คือการรักษาศีลยังมีเสน่ห์ก็จงให้ทานอยากมีอายุยืกนานก็จงรักษาศีลไม่อยากหลงก็จงภาวนาพระบรมศาสดาสอนสอนธรรมชั้นสูงชั้นชนกลางถอยไปถอยมาอยู่อย่างนั้นเออถอยมาปลาโรกชั้นต่ำว่าชั้นกลางว่าชั้นสูงว่า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 มักผลที่พานฝ่ายเกิดฝ่ายแม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าทำฝ่ายเกิดดับก็มีอยู่ทุกลมหายหายใจเข้าถ้าจับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตีความหมายได้หมดเทียมทิพจะมีจินทรานก็เชื่ไปในทางทิพน์เนี้ยโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็เป็นวังคืนคําสอนพุธทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้น ไม่รู้ไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นหนูขับพูรู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นหนูขับพูเชื่ออะไรไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าอาริยสัจคุณจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเทียบในทางเรื่องเพื่อให้คํานึ่งในหลายทางนั่งให้น้องคลองเมืองวางต่างๆ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 ชาวโลกตั้งคนไหนก้อนหมูก้อนผักก้พวกไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันหมูมากลากไปลากไปทางผิดมันก็ไปตกเหวหมดลากไปทางถูกคนจึงจะไปทางเจริญผู้มีกิเลสน้อยก็ลากไปน้อยผู้มีกิเลสมากก็ลากไปมาก ให้กูกรมด่ามดาบว่างเจ้าโรคแย่งกันอยู่บาดมือเฉือนมือฆ่ากันตายอยู่ไม่มีกางวันงคืนเอ้าร่วงระเบิดกันอยู่ทุกวันนี่เพราะร่วงมาจากข้อไหนฆ่ากันตายอยู่ทุกหย่อมหญา ก, ก็มาจากตัวปานาติบาใช่ไหมรักศกยกหอก็มาจากอาเท น, นาทานคามเมรีลูเมตตาผู้ปลดปลอกรวงต้นตสุนกันฆ่ากันเมื่อยพึงพืชอยู่ทุกวันนี่ก็มาจากศิียนห้าใช่ไหมนั่นนั่นนั่น นั่นอยู่ที่ไหนก็ น, นั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พิจารนา น, นั่นเองนั่นน่นน่ะเอา้าผู้ที่ทําผิดไปเป็นพยานพระพุทสมาธพระพุทธเจ้าผู้ที่ทําถูกก็ไปเป็นพยานพระพุทสมาธิพระพุทธเจ้าเพราะพระธสมาธิพะพุทธเจ้าพูดใ น, นมดแล้วไปทางเช่นนั่นไปทางผิดเนอ้อไปทางเช่นนี้ไปทางถูกเนอ้อ พ, พระบรมศาสาสอนอย่างนั่นแล้ว ผู้ไปลงนรกก็เป็นทวียนพระสมานเจ้าพุทธเจ้าพระทำอย่างนั้นลงนรกเนอทําอย่างนั้นไปสวรรค์นเนอะเขาพุทธเจ้าได้ทั้งทางขึ้นทางล่องใช่ไหมนั่นนั่นถ้าคนดีไม่มีในโลกคนดีก็สืบพระพุทธศาสนาสู่ความดีไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ทําชั่วมาแข่งก็ไม่รู้จักคนดีคนชั่วเหมือนกันเอ้า ทำไมเราจึงอาบน้ําก็พระร่างกายมันสกรปรกทําไมเราจึงรักษาธรรมะปฏิบัติธรรมะพระจิตใจมันสกรปรกจะเอาอะไรมาร่างมันก็เอาธรรมะของพุทธศาสนามาบังคับมันเรียกว่าลูกมีพ่อมีแม่เรียกว่าชาติไม่แตกหรอก่อเอาคําสอนพุทธศาสนาไปสอนตน ถ้ า, าไม่เรื่อมใสในพุทธศาสตร์นะก็ค้าๆก็ว่าช่างแตกกรอกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีคือไม่มีแปมศิษไม่มีครูผู้ที่เรื่อมใสว่าพุทธศาสตร์นะไม่ใช่คนต่ำต้อยด้ยดยปัญญาคนสร้างวนมวีแก่กล้ามาแล้วใครจะไปบ่นให้แมลงวันมาเรื่อมสเจสอนดอกไมก็ไม่มี เราไปไล่มันดูหรูมันมาจับปากเราเองด้วยถูกไหมออกจากกองที่มาแล้วก็มาจับปากเราถูกไหมไม่ไล่มันดูสิอ้าปากไลอย่างนี้อะาไปกินแก๊สนอะ้วหน่ะไหมมึงอ้ามันบีบเข้าปาก น, นะถูกไหมอาลนะเจเนเนาะยะท้าวาดวะฮาภราภเรนซากรา เอวะเมวะอิโตจินังเปทานังโุปกปฏิยติตังปฏิตังตุมหังคีวะเมวะสัมมิจตุสเพภูเรนทุสังกปาจันโทพะเนรโสยถาเมณิโชตีระโสยถาสเพตโยเยวะจันตัสสะปะตุโขสะปะโยสะโกโววนัสสัตวาเทเภวะตวนตระโยสุขีตีขายโกผวะอภิวาทนาสีนิจานิจังวุฒาปัญญโยชะตาโรธรรมาวัฏทันติ อายุวโนสุขังภะรังเตอัธระรธ า, า, า, าทุกิตายุนหาพุทธศาสนาโลคากิตาโหทะคาสเปยยาติพิอนไปรถไปเรือภาวนาพุโทโธไปไม่มีอันตรายผู้ขับรถอย่าไปแข่งทางผึ่งผายแข่งทางปลอดภัยถ้าแข่งทางผึ่งพายเดี๋ยวก็เพง แขงทางปลอดภัยอุบายอดไปลอดภัยเป็นวิชาของกูว่าอย่างนั้นผู้ขับรถจะไปอวดทางผึ่งผายอวดทางปลอดภัยอวดทางสุภาพอุบายอดไจะไม่มีอันตรายอุบายนั้นเป็นวิชาของเราผู้ขับรถภาวนาพร้อมเจิมรถด้วยความขับให้ดีทางสี่แพ่งสามแพ่งสองแพ่ง ต้องมองดูให้ชัดไม่พอไปก็ไม่ไปต้องรออยู่ก่อนภาวนาพุทโธด้วยคนหนึ่งเขาภาวนาพุทโธเมื่อเขาขับรถเขาขับรถอยู่เมืองอุดรสิบสองสิบาปีเขาบอกว่าไม่เจอไม่เจออันตรายใดๆทั้งสิน้นรถพวกอื่นนั้นเจอรถขูม่มะลึงพึ่งพืชอะไรต่ออะไรมีรูปคูบาอาการเมเรียสารพัด เดี๋ยวก็อยู่กรมตำรวจของผมมาได้อยู่กรมตำรวจเลยผมขึ้นรถผมก็ภาวนาพุทธโธเลยเขาพูอย่างนั้นพวกเขาขับขับรถนะถ้าบุญบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยถ้ามาบ่อยใจก็ต่ำลงบ่อยท่าบุญก็คือทำฉลองใจท่ามาวก็คือทำบาปฉลองใจต่ออายุของบุญก็ต่ออายุที่ใจต่ออายุของบาปก็ต่ออายุที่ใจ แต่เราไม่ต้องการจะต่ออายุของบาปเราต้องการจะต่ออายุของบุญและแฉะฉะลองใจฉลองบุญทำบุญฉลองใจทำใจไหว้สร้างบุญมีความหมายอันเดียวกันศีลก็ตัดสินลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจไม่ต้องพูดไปไกลดีชั่วเข้าะใจเป็นพูดทำขึ้นไม่มีใครคนอื่นจะมาแย่งํา พระใจไดกก็ดกอยู่ที่ใจพระใจไปดกย่นลงมาเป็นหนึ่งเอกานิบาตคือใจถ้าย่นลงมาเป็นสองก็คือกายกับใจย่นลงมาเป็นสาก็กายวายกายใจย่นลงมาในหลังหุ้มอยู่โดยรอบก็ถูกเรียกเขาพระใจไปดกไตรแปลว่าสามมีทั้งศีลสมาธิปัญญากรมกลืนกันอยู่ด้วย สิ้นห้าทําใันร่วงละเมิดก็เป็นสิ้นตัวเดียวเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจสิ้นแปดก็เหมือนกันสิ้นสิบสิ้นสองร้ยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันถ้ามันร่วงละวมิดก็เป็นสองร้ยี่สิบเจ็ดเกลียวอยู่ที่ดวงใจสมาธิกระตั้งมั่นอยู่ที่ใจปัญญาเราลู่ในที่ใจถ้าไม่หลงใจก็ไม่หลงธรรมถ้าไม่หลงธรรมก็ไม่หลงใจลู่เท่าใจหมดก็รู่เท่าหมดรุดพ้นจากใจหมดก็รุดพ้นจากกิเลสหมดเหมือนกัน ถ้าไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจก็ข้ามทะเลใจไปสัอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังมามาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ผู้รู้เกิดดับเป็นไม่ผู้รู้ก็เกิดดับเป็นเหมือนกันคืออเนจังอันละเอียดพระนิพพานมาใช่ผู้รู้เดี๋วผู้รู้ไปจะไม่มีที่หมายถ้าหมายอยู่ก็พอมันเหมือนหมุนหมุนหมันหมันนี่เอง อือออพุทโธพุทโธพุทธอยู่ที่ใจโธอยู่ที่ใจธโมก็ส่งให้ที่ใจสังโฆก็ปฏิบัติใจตกลงพุทโธธโมก็อยู่ที่นี่ไตรสี่ขาก็อยู่นี่เหมือนเราเห็นหน้ากันเองเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นแก้มเหมือนกันแต่ว่าเราพูดย่อไปเห็นหน้าฉันใดก็ดีพุทโธธโมสังโฆก็อยู่ด้กันไปยับตัวทีนี่ยับตัวยื่นเนื้อจะทข้าง อย่าไปลืมของเนอะอย่าไปลืมรองเท้าเนอะฮ ะ, อะเคยเก็บได้อยู่เรื่อยเนี่ยของอย่าไปา<ะ>ลืมฮะได้แล้วหรือยังได้แล้วเออได้ครอบครัวแล้วฮะเอ อ, นะเอรูปคนมีคิเดตเอาไปทำไม <laughs> เอารูปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รูปคนมีกิเลสไม่ดีรอกเอารูปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ อ, งเอาพุทธรรมสงฆ์มาทีนี่เลยออรรูปทีเริเนี่ยิก็บอกไม่รู้ลยิเป็นคนสงแรงเต็มเลยการเิดเผยศีล่าีของถูกเนี่ย มีที่อมาบ้างๆวง่อาะนะคเพราะว่าาอเว่เดหน่อยค่ะประชกประชกนะมนจิตบนใจให้ถึงพระพุทธพระธรรมพอเป็นน้มนต์ด้มนจิตบนใจให้ถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์อย่างนี้ให้น้ำมนต์ทุกคนให้น้ำมนต์ทุกคนแล้ว มนจิตมนใจให้ถึงพระพุทธประสงค์เองไปได้เลยพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามายมีประมาทและก็ทรงไม่โผอยู่ทุกการรู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้มันขึ้นอยู่กับพูเชื่อและแม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีต้อทั้งใจรูกัต้องราสดแต่ความสุขความเจริญ นบวรราพุทธศาสตรนาของพระสมาพระพุทธเจ้าในทางสี่พ่อทุกท่านหน้าอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเธอทุกท่านพ้นบนด้นใดที่เราได้สร้างมาในพบก่อนรดีสัจุบันนี้คดีจะเป็นไปในครั้งหน้าคดีเราทั้งหลายขออุทิศให้ผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าใดใครจะเกิดทุกคนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อทุกท่านเรทั้งหลายทุกคนหน้าทั้งภายในโลกาต้องมาสอบจากความศรัความเจริญในบวรระพุทธศาสานาของพระสมมาพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไป จนถึงที่สุดทุกรอยชาโดยด่วนโดยไม่เหลือหนูทุกเมื่อเธอออ